หากใครมาเยือนรับแรงผ่านทางประตูความรัก สุปราประตูไม่จำหลักวัดดอนศัก์ที่แสนงมพรกบานประตูอดีตที่ราชสียืนเฝ้ายางอาการารโบราณจดจานกำนานโยนกงาดนา้ายามแลงห่อนแสงระวี ม่อนฤีตะวันลาบลาเมืองแห่งคนไม่มุาสาพอศรัทธาด้วยหัวใจเถือกทิวพนาป่าเขาบ้านเราผูเขากินได้หมอกยามชาเช้าแดดงามยามสายฝนโปรยยามบ่ายหล่อเลี้ยงลาบล ลมแล้วเธอจะรักผมงบลิ้นแล้วเธอจะรักลิ้นความสมบูรณ์แห่งแผ่นดินคู่ควรให้ปลูกความฝันชมตลาดยามเช้าชวนชิมข้าวแคบมีพันรับแลกเพียงแลตากันความผูกพันก็พันผูกใจ หาใครมาเยือนลับแลผ่านทางประตูความรักวันลาจากไกลใจคงประจักษ์ว่าไม่มีวันลับลาลับตาไม่เคยลับใจร้างไกลไม่เคยร้างลาไม่ลาลับเลือนต้องกลับมายืนลับแล ไคมาเยือนรับแลผ่านทางประตูความรักวันลาจากไกลใจคงประจักษ์ว่าไม่มีวันลาบลาลับตาไม่เคยหลับใจร่างไกลไม่เคยร้างราไม่ลาลับเรือนต้องกลับมาเยือนรับแลไม่ลาลับ ต้องกลับมาเยือนรับแลเวลาลับเลือนต้องกลับมาเยือนลับแลมาเยือนรับแลผ่านประตูความรัก ใครมาเยือนลับแลผ่านทางประตูความรักวันลาจากไกลใจคงประจักษ์ว่าไม่มีวันลับแลลับตาไม่เคยลับใจร้างไกลไม่เคยร้างลาไม่ลาลับเรือนต้องกลับมาเยือนลับแล